กรรมของลูกเปลี่ยนได้ในมือคุณไม่กี่คนที่ถูกเลี้ยงสมตัวแต่ทุกคนจะถูกเลี้ยงตามกรรมเด็กหลายคนฉลาดและช่างถามแต่ถ้ามาอยู่ในมือของพ่อแม่ที่ราคาญเป็นคำถามเด็กๆ เ, เป็นเรื่องกวนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตัวเองไม่รู้คำตอบก็จะห้ามไม่ให้ถามหรือหนักกว่านั้นคือโมโห ด่าแรงๆเช่นถามอะไรงโง่ๆอย่างนั้นวะจะรู้ไปทําซากอะไรอย่างนี้เด็กก็หวาดกลัวที่จะถามต้นต่อความฉลาดก็หดหายหมดเห็นการถามเป็นการโชว์โง่ไปจนโตพระพุทธเจ้าตรัสว่าบุญให ญ, ญ่ในทางที่ทำให้เกิดใหม่เป็นคนฉลาดคือบุญอันเกิดจากการรู้จักถามเช่นถามสมณะถามผู้รู้ถูกรู้ชอบว่า ทำกรรมใดเป็นคุณทำกรรมใดเป็นโทษทำกรรมใดเป็นเหตุให้พ้นทุกพ้นภัยและน้อมนำไปปฏิบัตินั่นแปลว่าถ้าสนับสนุนให้เด็กกล้าถามและตะล่อมให้เด็กถามเข้าจุดผลักดันให้เด็กเกิดความสงสัยใครรู้เรื่องที่ควรู้กระทั่งอยากรู้ถูกจุดเกี่ยวกับกรรมวิบากเกี่ยวกับทางไปนิพพานก็เท่ากับทาให้เขาอยู่บนเส้นทางฉลาดสูงสุด ดีกว่าเป็นเด็กอาชริยะดีกว่าเป็นเด็กน้อยร้อยล้านแต่ก็ยังว่าถ้าไม่อยู่ในมือของพ่อแม่ที่รู้ทางหรือซ้ำร้ายมาอยู่ในมือของพ่อแม่ขี้ราคาญก็เป็นเครื่องหมายส่องแสดงได้อย่างหนึ่งคือแม้มีบุญเก่าเช่นร่วมสร้างศาลาแสดงธรรมร่วมเผยพร่พระไตรปิฎกศึกษาธรรมะชั้นสูงเคารพ บ, บูชาครูดี เป็นครูสอนสัพพวิชาด้วยตนเองและอื่นๆแต่ก็สะสมบาปหนักไว้มากเช่นเป็นพวกชอบดูถูกคนชอบบันทอนกำลังใจคนที่ไม่เห็นด้วยกับตนกดขี่คนใกล้ชิดด้วยวาจาหาว่าโง่บ้างด่ากราดว่าเป็นบัวใต้น้ำบ้างตัวเองเป็นบัณฑิตฉลาดรู้จริงอยู่คนเดียวแบบนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดใ ห, ดใหม่เป็นเด็กที่มีแ ว, วฉลาดแต่พ่อแม่ไม่ส่งเสริม หรือกระทั่งกดหัวไว้ไม่ให้งอขึ้นได้ยังมีคุณสมบัติอื่นๆอีกมากที่สอแววว่ามีบุญระคนบาปเช่นหน้าตาดีแต่ถูกเลี้ยงให้ซูบหมองอารมณ์ดียิ้มแย้มเก่งแต่เห็นพ่อแม่ทะเลาะ ก, กันบ่อยๆอาจหานสมชายแต่ถูกเลี้ยงให้ขี้ขลาดฝ่ายดีแต่ถูกบังคับให้คิดร้าย มีพลังในการรับภาพดีๆแปลกใหม่เข้ามาบันทึกเข้ามาจดจําไว้ในหัวไม่จํากัดแต่กลับถูกทอดทิ้งให้เจอแต่ภาพเดิมๆซ้ําๆไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยไม่ได้เจออะไรแปลกใหม่เลยชาวพุทธที่ไม่เข้าใจเรื่องทิฏฐิ62อย่างทองแท้มักเชื่อเรื่องกรรมแบบมิจฉาทิฏฐิประการหนึ่งคืออะไรอะไรแล้วแต่กรรมเก่าเป็นเวรเป็นกรรมที่แก่อะไรไม่ได้ ต้องทําใจปลงซะหรืออีกทีก็ลงเชื่อไปว่ากรรมเก่าแก้ได้ง่ายๆด้วยการทาพิธีสะดอกเคราะห์หรือวอนขอเทวดาช่วยกรรมใหม่เป็นสิ่งที่ทําเพิ่มได้ทุกวันทุกชั่วโมงทุกนาทีตราบเท่าที่ยังมีลมหายใจและกรรมใหม่ก็เบียดกรรมเก่าได้แทรกแซงกรรมเก่าได้ขอเพียงมีความแรงพอและเป็นตรงข้าม เป็นคนละขั่วกับกรรมเก่าเมื่อลูกยังเล็กเขาเปลี่ยนเส้นทางกรรมของตัวเองไม่ได้แต่ถ้ามาเกิดกับพ่อแม่ที่เป็นสมาธิิไม่ขี้เกียจมีความใส่ใจลูกแล้วรักลูกพอที่จะสำรวจตัวเองว่าตนยังมีกรรมใดที่บกพร่องอยู่บ้างเช่นราคาญคาถามแบบเด็ ก, ดกไม่ค่อยพาลูกเที่ยวชอบนอนไม่ชอบเป็นตัวอย่างออกกาลังให้ลูกเห็นนึกอยากทะเลาะ ก, กัน ก็ทะลอดต่อหน้าลูกเลยแรงๆเมื่อเห็นว่าตนอยู่บนเส้นทางกรรมผิดๆเส้นไหนก็ตกลงใจจะเปลี่ยนเส้นทางกรรมนั้นๆเพื่อลูกลูกสงสัยอะไรก็ขยันหาข้อมูลหารูปภาพจดเน็ตมาให้เปลี่ยนความเคยชินที่จะไปไหนเพื่อตัวเองเป็นพาลูกไปไหนตัวไหนบ่อยๆเช่นนี้คือเปลี่ยนเส้นทางกรรมให้ตัวเอง เอาชนะกรรมเก่าของตัวเองได้ด้วยกรรมใหม่ซึ่งก็เท่ากับเปิดทางกรรมเส้นใหม่ให้ลูกไปด้วยจากที่ดวงต้องฉลาดแบบเก็บกดก็กลายเป็นฉลาดเต็มสภาพจากที่ดวงต้องอ่อนแอก็กลายเป็นเข้มแข็งจากที่ต้องเศร้ามองลึกๆ ก, ก็กลายเป็นสดใสเห็นเห็นชาติแห่งความเป็นพุทธคือชาติสําคัญสูงสุดจากอนันตชาติพ่อแม่ที่เป็นพุทธ คือพ่อแม่ที่นำลูกตื่นรู้ความจริงได้เห็นอะไรอะไรถูกเห็นอะไรอะไรชอบตามที่ควรจะเป็นได้